ที่นี่เรามีทำวัดเช้าแล้วก็ทาวัดเย็นเป็นประจําเป็นโอกาสที่สมาชิกในวัดนะไม่ว่าจะเป็นพระชีโยมสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน กิจกรรที่ทำร่วมกันในวัดนี้ก็มีอสองอย่างใหญ่ๆนะก็คือช่วงเวลาทำวัดกับช่วงเวลาฉันหรือทานอาหารช่วงเวลาทานอาหารเราก็ม า, มาทานด้วยกันนะอันนั้นเป็นเรื่องของอาหารกายส่วนการมาทำวัด แล้วก็ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารใจนะคนเราก็ต้องการทั้งอาหารกายและอาหารใจดันะการที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะไม่ว่าเช้าหรือเย็นอันนี้ก็มีส่วนในการที่ช่วยเสริมนะกําลังใจในการปฏิบัตินะ โดยเพพา ะ, ะผู้มาใหม่ที่นี่ก็มีสมาชิกใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้ามาอยู่เป็นประจำนะก็ถือว่านะไม่ใช่คนแปลกหน้านะแต่ว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักหลายคนที่มาวัดป่าสุกโตก็มา วัดป่าเป็นครั้งแรกนะบางคนไม่เคยนอนวัดไม่เคยค้างวัดนะการมาวัดป่าสุขกโตสำหรับหลายคนก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะบางคนก็อาจจะมาด้วยความเต็มใจรู้ว่าจะมาทำอะไรที่วัดหรือว่าจะมาพบอะไรที่วัดแต่บางคนก็ ไม่แน่ใจนะว่าจะมาได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือจะมาเจออะไรบ้างแต่ว่าถึงแม้จะยังไม่ชัดหรือว่ามีความลังเลนะก็ขอให้มามาวันนีนะ้ดีกว่ามาวันหน้าและถึงไม่มาวันนี้นะยังไงวันหน้าก็ต้องมาอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะแต่ก็อาจจะเป็นวัดอื่น อาจารย์พยอมท่านพูดดีนะท่านพูดเตือนใจกระแทกใจได้ดีบอกว่าเราจะมาวัดเองหรือจะรอให้คนอื่นถามเราเข้ามานะเราจะสวดมนต์เองหรือว่าเราจะให้พระสวดมนต์ให้นะเราจะประนมมือไหว้พระเองหรือว่าจะรอให้สั ป, ปเหร่์นะจับประนมมือให้นะยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมาในลักษณะไหน นะแล้วคิดว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเราคงจะเลือกมานะมาเองนะเดินเข้ามาเองหรือขับรถเข้ามาเองไม่ต้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเนี่ยหามเราเข้ามาเพราถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้วนะเราจะรอไหว้พระเองนะหรือว่าเราจะให้สัปปะเรอนะประนมมือเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามาได้สแต่วันนี้ก็มาเลยนะอย่ารอนี่มาทำไมนะไม่ได้มาแค่สวดมนต์ไม่แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่น่าจะมาเพียงแค่มาทำบุญนะใส่บาทหรือว่าถวายสังฆทาน วันนี้มีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่า น, นั้นนะก็คือการมาเพื่อจะได้พบตัวเองนะมาเพื่อที่จะได้พบตัวเองและพบว่าเรามีอ่าสิ่งสำคัญอ่าลึกซึ้งทรงคุณค่านะอยู่ในใจของเรานะ และสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะสามารถที่จะน้อมนำชีวิตของเราให้มีความสุขได้ในความสุขเนี่ยหลายคนก็คิดว่าจะไปหาเจอที่ห้างสรรพสินค้านะไปหาเอาตามรีสอร์ทนะตามแหล่งช้อปปิ้งจ่นั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้อาจจะช่วยบรรเทาความเครียดนะ นะความกลัดกลุ่มของเราได้ก็ชั่วขณะแต่ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาเป่าปร่าฟรีๆนะความสุขแบบนั้นจะได้มาก็ต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วก็อาจจะได้ผิดภัยกลับมานะเช่นไปกินเหล้านะนก็เกิดโรคเกิดภัยนะอาจจะติดเหล้านะหรือว่าเกิดเมาไม้ขึ้นมา จริงๆความสุขมาไม่ต้องหาจากไหนนะหาจากใจของเรานี่แหละที่ใจของเราเนี่ยนะเป็นเป็นเสมือนต้นฐานแห่งความสุขนะแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจจิตใจของตัวเองเราไปคิดแต่นะการหาเงินหาทองแสวงหา ชือเสียงกิตเตอรความสําเร็จนะและคิดว่าสิ่งนั้นจะทําความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเรามองข้ามจิตใจอันนั้นเป็นอันตรายนะเพราะว่าจิตใจที่ถูกมองข้ามถูกละเลยนะสามารถจะก่ออันตรายเป็นพิษภัยให้กับเราอย่างคาดไม่ถึงผู้เจ้าตรัสว่านะโจร ทำร้ายโจรด้วยกันหรือว่าศัตรูเนี่ยทำร้ายศัตรูด้วยกันเนี่ยก็ไม่ก่อความเสียหายหรือความชิบหายมาเท่ากับจิตที่ฝึกฝนไว้ผิดหรือว่าจิตที่วางไว้ผิดนะใจของเราถ้าเราฝึกผิดหรือว่าวางผิดเนี่ยวางใจผิดเนี่ยนะมันก็สามารถจะก่อความพินาให้กับเราหรือว่าสามารถจะก่อความพินาศเลยไปถึงคนอื่นด้วยนะ เป็นพรอเล่าเลยจิตใจปล่อยให้จิตใจถูกคร่องกามด้วยความทุกข์ปล่อยให้ความเครียดความเศร้ากัดกินใจหลายคนก็เลยทําร้ายตัวเองฆนะ่าตัวตายบางทีทําร้ายตัวไม่พอนะก็ยังเอาลูกเมียไปด้วยนะอันนั้นเพราะความ หลงนะความลืมตัวชั่ววูบหรือว่าความทุกข์ที่มันสะสมกัดกินใจนะคนเราไม่จงเป็นต้องลงเอยแบบนั้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าชีวิตมันจะมีอุปรสรรคนะแต่ปัญหาเนี่ยไม่สามารถทำให้ใจเราทุกได้นะ ถ้าหากว่าเราไม่ไปแบกมันปัญหาเนี่ยเขามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะคนเราทุกคนก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าหากว่าเรานะเวลาเรารู้จักแก้มันนะถึงเวลาเราก็แก่นะถึงเวลานอนเราก็นอนวางมันลงได้ ถึงเวลา อ, อยู่กับลูกนะอยู่กับพ่อแม่นะเราก็วางมันลงใจเราก็อยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับลูกเต็มร้อยถึงเวลาเที่ยวเราก็ใจเราก็อยู่กับนะสถานที่สิ่งแวดล้อมวิวทูทัชเฉพาะหน้าไอความกลุ่ม อ, อกกลุ้ใจมันก็ไม่สามารถจะกัดกินใจเราได้ แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ทันใจของเราเราไม่ดูแลจิตใจของเราก็ไปให้ความทุกข์นะมันเข้ามาครอบงำกัดกินใจโดยเพราะความเครียดแลวเด๋ยนนี้ก็มีความกลัวนะตามเข้ามาด้วยได้คุยกับหมอและพยาบาลหลายคนนะเมือม่อเช้านี้ก็มีกลุ่มหนึ่งเพิ่งกลับไป ก็ยอมรับนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลารักษาคนไข้เนี่ยมันมีความกลัวนะมีความกลัวเหมือนกับว่าจะหลอกหลอนเพราะว่ากลัวว่าคนไข้จะฟ้องนะเกิดอาการตึงเครียดนะแพทย์จะทำอะไรก็กลัวว่าจะผิดจะพลาดนะ เกิดวความเครียดพยาบาลก็เหมือนกันโดยเพราะในห้องคลอดนี่ห้องผ่าตัดนี่จะกลัวมากนะไม่ใช่กลัวผิดพลาดเท่านั้นกลัวคนไข้ฟ้องกลัวญาติฟ้องซึ่งก็ทําให้มีความเครียดมากในขณะที่เราพยายามช่วยให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์นะแต่เรานะกลับมีความทุกข์เสียเอง มันไม่จาเป็นต้องเป็นเช่นนั้นก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะทำงานที่เป็นเรื่องความเป็นความตายเราไม่จำเป็นต้องอาศัยความกลัวเนี่ยคอยบีบคั้นให้เราต้องระมัดระวังนะจนกระทั่งกลายเป็นความเครียดนะเพียงแค่เรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำนะเวลาทำอะไรใจก็อยู่กับ สิ่งนั้นนะมีสติกับสิ่งที่เราทําถ้าเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยความเครียดมันก็เข้ามาครอบงําใจเราไม่ได้ไอ้ที่เราเครียดเพราะว่าใจเราไม่มีสตินะใจเราไปไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทําข้างหน้าแต่เราไปนึกถึงผลที่มันจะเกิดขึ้น นะไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีการฟ้องร้องกันเรื่องราวในอดีตนะก็คอยหลอกหลอนใจหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตนะว่าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นอะไรจะตามมาอันนี้เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้เรียกว่าเผลอไปละไม่มีสตินะเพราะเมื่อตามที่ใจไม่มีสตินะี่มันก็จะ ไหลไปอดีตบ้างไปลอยไปอนาคตบ้างถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำนะมันจะไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลมันจะมีแต่ความนิ่งแต่เป็นความนิ่งที่ไม่ใช่หลับนะนิ่งที่เป็นความตื่นนะและเป็นความโปร่งเบา อันนี้เป็นพลั ง, งสติเป็นอนุภาพของสตินะที่พวกเรายังรู้จักกันน้อยนะแต่ว่าเราสามารถจะทำให้เกิดมีได้เพราะว่าสตินั้นก็มีอยู่แล้วในใจเราการมีสติกับงานการเนี่ยนะมันก็พูดง่ายคือเป็นการเอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปในงานนั้นนะ ไม่ใช่ใจมือลอยไปที่โนนที่นี่เอาใจใส่ลงไปงานนั้นก็จะกลายเป็นงานนะที่ดีและมันก็จะมีคุณภาพเท่าที่เราจะสามารถทำได้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องเครียดนะงานก็มีคุณภาพได้เมื่อเรามีสตินะเอาใจใส่ลงไปในงานเมือ่อสองเดือนก่อนเนี่ยได้ไป ที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วก็ไปพักกับคนไทยโยมคนหนึ่งฐานะนก็พอใช้ได้นะแต่ว่าอยากจะทำงานดีเหลคือเปิดร้านร้านอาหารร้านอาหารแบบอาหารไทยง่ายๆนะเป็นอาหารที่เรียกว่าใส่ห่อไปกินที่บ้านได้แกก็ เวลามาเมืองไทยเนี่ยก็คอยนะคอยศึกษาตามร้านอาหารต่างๆนะที่ทำอาหารและอร่อยก็มีร้านหนึ่งนะเป็นร้านาข้าวขาวหมูแถวแจ้งวัฒนะมังจะติดใจมากนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยฝีมือดี ก็คอยสังเกตนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะคือผู้ปรุงอาหารเนี่ยแกเป็นจะเรียกว่าอะไรอัมม่าหรไอมัง้งแกปรุงอาหารอย่างไรก็ศึกษาแล้วก็คอยสังเกตแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ยังยังไม่รู้เค็ดลับมากพอไปมาหลายครั้งแล้ววันหนึ่งก็เลยไปถามตรงๆเลยนะว่าเนี่ยอมม่านเนี่ย ทำอาหารอร่อยได้ยังไงข้าวคขาหมูเนี่ยใสอะไรลงไปแกตอบสั้นๆนะว่าพ่อใส่ใจใส่ใจลงไปนะสำคัญมากเลยนะจะใส่อย่างอื่นก็ตามถ้าไม่ใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็ไม่อร่อยนะแล้วแกก็จํำมาไว้เลยนะโยมคนนี้ก็จําเลยใส่ใจลงไปก็ไปเปิดร้านนะนะที่บ้านอนะูเทร็ก็ ก็าขายดีนะถึงทั้งที่ทำเล่นๆนะเปิดเฉพาะตอนเย็นสามสี่ชั่วโมงทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีคุณภาพนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะอาหารนะแม้แต่การเรื่องงานบริการใจก็สำคัญมีผู้หญิงคนหนึ่งแก เ, เล่าว่า มันมีช่วงหนึ่งของชีวิตนะที่รู้สึกแย่แล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณตอนบ่ายก็โทรศัพท์ไปนัดไปนัดกับช่างทำผมช่างคนนี้นี่ก็ทำเก่งนะแล้วก็มีลูกค้าเยอะแต่ว่าแกก็จัดเวลาให้นะเรียกว่ารัดคิวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยมีมีธุระด่วนนะตอนตอนเย็น แกก็เลยจัดคิวให้ให้มาทำนะในตอนบ่ายๆแก่ๆเลยพอลูกค้ามาเนี่ยช่างแต่ผมคนนี้แกก็นะก็ทำผมให้ด้วยความใส่ใจมากระหว่างที่ทำนี่ก็พูดคุยนะพูดถึงว่าโอ้ผมคุณนี่สวยนะการระหว่างที่ทำเนี่ย เขาก็ใส่ใจไม่ใช่กับผมเท่านั้นนะใส่ใจลูกค้าพูดคุยที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญเขาก็ทำอยู่ประมาณสักสี่สิบห้านาทีได้นะแล้วเขาก็ไปประมาณสามสี่วันต่อมาเนี่ยช่างตัดผมนี่ก็ได้จดหมายจากลูกค้าคนเนี้ย แล้วลูกค้าคนนี้ก็บอกว่าคุณรู้ไหมเนี่ยที่ฉันมาทําผมเนี่ยนะก็เพราะว่าฉันตั้งใจจะฆ่าตัวตายเย็นวันนั้นแหละและฉันอยากจะตายในในในรูปลักษณ์นะที่สวยที่สุดนะเมื่อจะตายทั้งทีก็ขอให้ตายในอในบรรยากาศที่ดีที่สุดนะแต่ว่าพอได้มาเจอช่างตัดผมคนนี้นะช่างแต่งผมคนนี้ แกดูแลใจใสแกถามแกให้กาลังคุณให้กำลังใจฉันนะคุณสัมผัสฉันด้วยสัมผัสผมฉันอย่างแผ่วเบาอ่อนโยนมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันนี่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่เป็นคนสำคัญและทำให้เกิดความคิดความคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยเลิกนะกลับมากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็เลยเขียนจดหมายมาขอบคุณช่างแต่งผมคนนี้ช่างแต่งผมคนนี้ก็ก็ตกใจนะเพราะว่าตอนที่ทําผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเธอก็ทําอย่างที่เคยทํากับค น, นก่อนๆแต่ทําด้วยความใส่ใจนะเมื่อใส่ใจเนี่ยมก็จะเห็นนะเห็นแง่งงามของลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนนะ และการพูดชมลูกค้านี้ก็ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ว่าเป็นเกิดจากมุมมองที่เธอได้เห็นนะด้านดีของลูกค้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราตั้งใจทำอะไรแล้วทำด้วยความใส่ใจเนี่ยนะไม่ใช่ทำรีบๆหรือว่าไม่ใช่ทำเพราะกลัวไม่ใช่ทำเพราะว่าอยากจะได้เงินแต่เพราะว่านะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวที่ตัวเองทา แล้วก็มีใจใส่ลงไปเต็มที่เนี่ยนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะที่คนอื่นเขาก็จะสามารถจะรับรู้ได้แล้วเราเองซึ่งเป็นผู้ทำเนี่ยก็จะพลอยมีความสุขด้วยในการการการฝึกใจของเรานะให้สามารถที่จะมีสตินะอยู่ในสิ่งที่เราทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหน มันจะมีคุณค่านะทั้งกับคนอื่นแล้วก็กับเราเองนะ่แต่มาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราดูแลรักษาใครนะด้วยด้วยใจที่มีสตินะเขาก็จะสามารถรับรู้ได้นะถึงใจของเรานะไอความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือความระแวงต่อกันก็จะน้อยก็จะหมดไปนะการเจริญสติเป็นเรื่องสำคัญนะ มันช่วยทําให้ใจเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะมันช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์นะถ้าไปแล้วีิสิตใจเราทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าใจของเราเนี่ยราหกระเหินนะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ไอ้ความเครียดความทุกข์นะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าใจเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่เราหกระเหินเนี่ยนะ มันก็จะนาพาความทุกมาให้อย่าง น, น้อยๆเนี่ยนะก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเพราะความคิดเหนื่อยล้าเพราะความวิตกกังวลจนนอนไม่หลับจะว่าไปแล้วการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ต่างจากการหาใจหาบ้านให้กับใจของตัวเองนะใจเราเนี่ยนะมันเหมือนกับเด็ก ใจแตกหรือว่าคนไร้บ้านมันระหกระเหินนะพวกเราเนี่ยถ้าหาว่าใครนะเคยเป็นคนไร้บ้านเนี่ยหรือว่าไม่มีบ้านอยู่จะรู้สึกแล้วมันมันว้าเวมันเหนื่อยล้านะใาจาของเราก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันนะมันท่องเที่ยวทีแรกก็จะสนุกนะเพราะว่าการสานกลางวันนะการใจลอยเนี่ยมันก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง แต่บ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ไปนึกถึงสิ่งที่สวยงามนะมันไปไปนึกถึงสิ่งที่เจ็บปวดนะ่ยมแย่นะนึกถึงงานนึกถึงภาระเสร็จแล้วก็เอาความทุกข์กลับมาใจที่ท่องเที่ยวนะไปไป ม, ามามันก็ระเหเร่ร่อนแล้วก็ระหกระเหิน สุดท้ายก็กระเซาะกระเซิงนะเหนื่อยล้าแต่ถ้าว่าเรารู้จักหาบ้านให้ใจนะใจเราจะอบอุ่นนะใจเราจะได้พักใจเราจะได้ผ่อนคลายนะและบ้านนี้ก็จะช่วยปกป้องนะไม่ให้เกิดอันตรายนะพายุมาฝนฟ้ามานะก็มีบ้านเนี่ยคอยนะให้ที่พักพิงนะถามใจ ของเราเองว่าเนี่ยมีบ้านหรื อ, อยังนะถามตัวเองว่าเนี่ยเรามีบ้านให้ใจหรื อ, อยังนะหรือว่าปล่อยใจให้ตากแดดตากฝนนะทุกร้อนนะบ้านของใจนี่ก็ไม่ใช่อะไรเลยนะัคือกายนั่นแหละบางคนก็เอาลมหายใจเป็นบ้านของใจหรือเราเจ้ากายนะเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกลม นะอันนั้นไม่ใช่รูปแบบอันนั้นก็คือการที่ทำให้ฝึกให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้กายเนี่ยเป็นบ้านของใจแล้วเมื่อใจอยู่กับกายนะมันก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะแล้วเกิดความอบอุ่นนะอย่างเวลาเนี่ยตอนเนี่ยถ้าหากว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราก็จะไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกกังวลไม่รู้สึกพิตกอะไรเลย แต่ถ้าใจเราเพลอออกไปคิดถึงงานคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่เมื่อไหรเนี่ยนะมันจะเกิดความกังวลเกิดความเศร้าเกิดความกลัวเกิดความวิตกนะหรืออจะเกิดความโกรธก็ได้เวลานึกถึงใครบางคนที่เขาทําไม่ดีพูดไม่ดีกับเราคำถามคือคิดไปทําไมนะมันคิดไปแล้วได้อะไรแต่ใจมันก็ยังไม่ยอมที่จะอยู่กับเนื้อกับตัว แต่ถ้าเราฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเอาเอากายนี่แหละเป็นบ้านของใจนะใจเราก็จะอบุ่นแต่เมื่อเราปฏิบัติเราก็จะเริ่มรู้นะว่าเออกายเนี่ยนะมันเป็นบ้านของใจที่ดีได้นะเอาใจมาอยู่กับกายนะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดความสามัคคีกันมันกจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดความตื่นขึ้นมานะแล้วก็เกิดความเบา แต่ว่าใจมันก็จะไม่ค่อยอยู่กับบ้านเท่าไหร่ใจมันก็ชอบท่องเที่ยวจนกรทั่งหายไปก็มีตกหล่นหายไปเราก็ต้องหาใจให้เจอนะคนเราเนี่ยไม่ค่อยทำใจหล่นหายไปนะให้มันจมอยู่ในความทุกข์นะจมอยู่ในความเครียดแต่ก็ไม่ค่อยที่จะพาใจกลับมา หาบ้านให้ใจแล้วก็ต้องหาใจให้เจอด้วยนะอย่าปล่อยให้หล่นหายไปหรือว่ า, าหลงทางนะใจเรานี่หลงทางนะวันหนึ่งนี่หลายครั้งนะบางคนหลงจนกระทั่งกลับมาไม่ได้ก็กลายเป็นบ้าไปเราต้องฉลาดนะเราต้องไวในการหาใจให้เจอและพาใจกลับบ้านนะ ถ้าเรารู้วิธีนะในการพาใจกลับบ้านนะเริ่มต้นโดยการไม่ปล่อยให้ใจตกหล่นหายไปไหนหาให้เจอแล้วกลับมาการปฏิบัติคือความการฝึกให้เราเนี่ยมีความเร็วนะในการหาใจเจอโดยที่ไม่ปล่อยมันพัดตกหล่นไปนะในในปรักแห่งความทุกขนะ์แล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะใจมันก็จะไวนะ เขาก็จะรู้ก็จะไม่ไม่หลงง่ายๆเวลาใจมันพลัดหลงไปในอดีตบ้างลอยไปนาคตบ้างนะเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาทันทีนะแล้วกลับมานะเพราะว่าได้รับการฝึกนะถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้นะเราไม่สนใจจิตใจของเราเลยนะใจของเราก็จะอระหกระเหิน แล้วจมอยู่ในความทุกข์วันลาวันแล้ววันเ ล, ล่านะเวลาทำงานก็ไม่มีความสุขเวลาอยู่กับบ้านก็ไม่มีความสุขนะใจมันแบกทุกตลอดเวลานะจมอยู่ในห่วงอารมณ์ในะสิ่งเหล่านี้เนี่ยการเที่ยวนะหรือว่าการ สนุกสนานเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่บุจคาตัด ว, ว่าเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุกมาให้เป็นสุกที่ยั่งยืนนะเป็นสุกที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไอ้สุกอย่างอื่นเนี่ยมันมีพิษมีภัยนะสุกจากการเที่ยวการเล่นนะ สุขจากการไปขับรถสิ่งเนะี่ยสุขจากการกินเหล้าเมายาหรื อ, อสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวเมาหัวราน้ำเนี่ยนะอันนี้มันเต็มไปมด้ผิดภพยหรือแม้แต่สุขจากการไปกินโน่นกินนี่นะมันก็เป็นของชั่วคราวแม้แต่ไปดูหนังฟังเพลงมันก็สุขประเดียวประดาวนะแต่ถ้าเราสามารถจะ ฝึกใจของเราเนี่ยให้มีสตินะให้รู้จักกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเอาปัจจุบันนั่นแหละเป็นบ้านหรือเอากายนี่เป็นบ้าน้นะจิตเราก็จะนิ่งจิตเราก็จะตื่นนะเวลาทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขนะเวลาอยู่กับใครนะมันก็อยู่เขาด้วยใจเต็มร้อยอยู่กับลูกนะลูกก็มีความสุขที่อยู่กับเรา ไม่ใช่ว่าลำคาญที่จะอยู่กับเราเพราะเราคอยบนชอบบนชอบจำจีจำชัยเราทำงั้นเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเครียดนะเครียดจากงานเสร็จ แ, แล้วก็พามาพอมาถึงบ้านก็วางไม่ได้นะความเครียดมันก็สั่งให้เราระบายความทุกข์ใส่คนอื่นแล้วเราก็ทาวันนี้ก็ระบายใส่พ่อแม่ใส่คนรักใสแล้วก็มาเสียใจ แั้ถ้าเรานะเห็นว่าเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะชีวิตของเราควรจะมีควรจะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ควรจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้นะเกิดมาทั้งทนะีก็ควรจะมีความสุขไหนมีอาชีพที่ช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าช่วยให้เขาสุขแต่เราทุกขนะ์อันนั้นมันก็เสียโอกาส เพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาวัดเนี่ยนะถ้าเรารู้จักาหาโอกาสเนี่ยมาฝึกใจของเรานะไม่ใช่แค่มาทำบุญไม่ใช่แค่มาสวดมนต์เท่านั้นนะแต่มาฝึกใจนะให้มีสติให้มีความตื่นรู้หรือหรือผู้ใหญ่คือว่าให้ใจเรามีบ้านมีบ้านที่แท้จริงมีบ้านที่อบอุ่นนะไม่ใช่มีแต่บ้านคุ้มกายแต่ว่า บ้านของใจไม่มีเลยอันนั้นมันก็เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเหลือเกินนะเกิดมาทั้งทกีก็ควรจะได้สิ่งดีๆจากชีวิตนะไม่ใช่ว่าต้องทุกไปกับการทำงานนะทุกไปกับคร อ, อบครัวจนกระทั่งหาความสุขไม่ได้